ในกรณีที่ว่าจนถึงนั่นแหละพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า น, นั่นเองฉะนั้นในการศึกษาพุทธคุณของพระพุทธเจ้านี่นะตรงนี้นี่แหละที่ว่าเวลาสวดหรือสาธยายพระพุทธเจ้ายี่สิพระองค์อันมาจะเวลาสวดแต่ละครั้งนี่บางทีจะมาสวดจบบ้องไม่จบบ้องด้วยนึงนะก็แปลว่าเวลาสวดแล้วธรรมาก็รู้สึก ตั้งมุทิศัทธาในการเนี่ยเวลาตอนที่อากมาไปที่อินเดียเนี่ยนะไปอยู่ที่อินเดียเนี่ยเวลาสาธยายไปเนี่ยด้วยใจที่ข้อมูลในใจมีพอสมควรเนี่ยนะในขณะที่สาธยายพระนามของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์เป็นไปตามลําดับเนี่ยเห็นล่องลอยแห่งบา ร, รมีในที่เกิดขึ้นในใจอะพอคิดคิดไปแล้วเนี่ยความรู้สึกก็อัดอั้นมีมีความรู้สึกว่าตั้งมั่นในคุณของพพุทธเจ้ามากขึ้นท่านทั้งหลายก็ ไปฝึกไปหัดในการที่จะสายทะยาดฉะนั้นในกรณีที่ในลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกันว่าให้สังเกตนะนะว่าที่พระบรมบุติิัต์ทั้งหลายท่านบําเพ็ญบารมีมาเริ่มทั้งกายวจีปณิทานเป็นต้นเนี่ยลักษณะที่บอกว่าเริ่มตั้งแต่ตันหังกรเมทางกรตะระนังกรแล้วก็ทีบางกรตรงเนี้ยตรงนี้ท่านก็จะมีประวัติไม่ยาวแต่พอไปถึงพระทีบางกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประวัติจะเริ่มเยอะแล้ว นั้นสังเกตได้เห็นชัดว่าในพระบรมศาสดาที่ผ่านมาในทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจํานวนหลายร้อยหลายพันองค์เนี่นึที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดได้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นจะเป็นเรื่องของการพารณาพุทธคุณอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนื้อหาพระธรรมต่างๆก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาเจาะเขาถึงบอกว่า ถ้าจะภาลานาคุณของพระพูทมีพระภาคเจ้าเนี่ยที่บอกว่าพระพุทธเจ้าด้วยกันนี่ยถ้าพาลานาคุณของพระพุทธเจ้านั้นเนะ่ยไม่ได้ทํากิจอย่างอื่นไม่ได้สอนอย่างอื่นเลยกิจไอ้กับนี้สิ้นไปนะคุณของพระเจ้าก็ไม่หมดนะเราจะได้เห็นชัดว่าถ้าเราศึกษามาตามลําดับเราจะได้เห็นจริงๆว่าเป็นอย่างไงเหมือนในกรณีที่ว่าพระตันหังกรเนี่ยนะในอุปปาทสันตบทมียอมเข้ า, ามาถวายวมาที่จริงอัตมาเคยเคยสวด คือซาตยายมีพระเถระบางรูปเนี่ยท่านสวดเ อ, อเป็นภาษาที่อักษรท่านชัดเจนเลตอนนี้ท่านนายุมากแล้วสวดแต่ก่อนอี่มาเคยฟังแล้วก็ค่อนข้างฟังแล้วฟังแล้วเพลาะแต่ามาสวดไม่ได้แบบนั้นแต่ถ้าสวดแบบทํานองปกติธรรมดาก็พอได้พระตันหังกรเมรังกรจราังกรแล้วก็ไปถึงทีปังกรเดี๋ยวเวลาที่ เหลือตรงนี้ได้เอามาสาธยายแล้วก็พรลานานอบน้อมคุนของด้านนั้นนะไม่ทั้งหมดนะอาจจะแค่สักสององหรือสามองเลือแต่เวลาอย่าอุนวยนอบน้อมหนะน่อยนะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะบรวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะตันหังการโอมะวิโรสัพพโลกานุกัมปะโกวันตาสังสาระขมโนสัพพกามาทโทสดาสัพพวิโพสัาวิโท สภาเทวาคารุตตาโมสภาสวาปเรคีโนสทาโสทิงกะโรตุโนพระตันหังกรพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แก้วกล้ามากทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งปวงถึงความสิ้นสังสารวัตรประทานให้ซึ่งความปรารถนาทั้งปวงในการทุกเมื่อ พระ อ, องค์ทรงครอบงมสิ่งทั้งปวงทรงรู้เยียธรรมทั้งห้าคือสังขารวิการ ล, นานาลักขณะนิพพานบัญญัติรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่เป็นครูผู้สูงสุดกว่าเทวดาทั้งปวงทรงหมดสิ้นสาสวะหรืออาสวะทั้งปวงโปรดทรงกระทำความสวัสดีให้แก่ข้าพระเจ้าและท่านทุกเมื่อเถินอันนี้คือ การสรรเสริญคุณของพระตันหังกรพระพุทธเจ้าเนาะต่อมาก็คือเกี่ยวกันในเรื่องของเมธพระเมธังกรวารลาคานสัมปันโนเมดังกะโรมหามุนีชุตินดะโรมหาสิริสุวรรณคีริสันิโพ ทพรูโปโมหากโาย ο, มหานาทโทมหบาลมหาการุนิโกสธามหาสันติงกรโรตุโนพระมหามุนีทรงพระนามว่าพระเมธังกรสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองมีพระสิริวิราชเป็นอันมาก เปรียบเสมือนภูเขาทองมีพระวรรูปเป็นทิพย์พระสรีระกายใหญ่เป็นที่พึ่งอย่างใหญ่มีพาระกําลังมากคือมีศรัทธาเวิรยรสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นศาสดาผู้มีความกรุณามากจงกระทําความสงบอย่างใหญ่หลวงแก่ข้าและแก่ท่านทั้งปวงด้วยเถิดมหา มหาโมฮาตมังหันตวะโยนาโทสระนังการุเดวะเดวามนุสานังโลกานนจาริตังการุบายามปะมาปะปะปะพาลพิรุจิโตนิโคระดาปริมันดโรนิโคระธาปะกาพิม โทษโทษสถาโสทิงกรโรตุโนพระโลกกนธาพระองค์ใดทรงพระนามว่าสาระนังกรทรงขจัดโมหะมืดมิดเสียได้ทรงกระทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ทวยเทพและเทวมนุษย์ทั้งหลายกับทั้งชาวโลกทุกเหล่าพระองค์รุ่งเรืองด้วยพระรัศมีข้างละ ว, วา มีปริมาณมนลทนดุจต้นนิโครธมีพระโอดสุขเหมือนผลนิโครธและผลมะพร้าวสุขจงกระทำความสวัสดีให้กับข้าและในท่านทุกเมื่อเทินอสีติรัตตนาโนเพโดทีปังกรโรมหามุนีปะพาณิทาวเตตาสา ทานทาวะทศโยชนีวาสสาสตาสห า, สานีทัตตวาโลกเก ว, วินายาโกโลกาโลกาการสทาสทาโสถิงการตุนโนพระมหามุนีพระพุทธเจ้าพระนามวธีปังกรสูงแปดสิบศอกมีรัศมี ขอพระองค์แผ่ขอและพระราชมีของพระองค์แผ่ซ่านไปที่12โยดพระโรคกนาาดํารงพระชนอยู่แสนปีทําประโยชน์แก่ชาวโลกและเทวโลกขอพระาศาสดาจงกระทําความสวัสดีแก่ข้าและท่านทุกการทุกเมื่อเทินอันนี้คือพระตันหังกรเมธังกรตระนางกรและก็พาทีปังกรที่จะเล่าต่อไปนะในการที่เราท่านทั้งหลายก็คือกล่าว นอบน้อมว่าคุณของท่านจริงๆวินทีออกมาเพิ่งดูแล้วก็พอดีไฟไม่ค่อยชัดเลยดูดวงสือหม่ดูยากเกินหนึนงก็แม่เรื่องเรื่องสายตาเนี่ยนท่านทั้งหลายเนี่ยเราท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าต่อไปเราจะอ่านพระธรรมของพระเจ้าไม่ได้แล้วท่านช่วงนี้ยังอ่านได้อย่าประมาทเร่งรีบเสีย เดี๋ยวตาเขาก็จะจากเราไปแล้วเพราะเขาเป็นวัตถุกรรมเนาะหูตอนนี้ยังพอฟังพระตัดธรรมได้รู้เรื่องเนาะแต่เชื่อไหมต่อไปก็จะหนวกไม่ใช่แค่ในท่านทั้งหลายตาบอดหูหนวกนะเพราะว่าสังขารเป็นแบบนี้ใจของท่านทั้งหลา ย, ลา ย, ลายานาย่ะเขาก็จะคิดพระธรรมไม่ออกเพราะสมองเนี่ยเพราะเกิดมากขึ้นมากก็กจะเล็กลงเล็กลงนะเข้านะเขาก็จะจําพระธรรมไม่ได้แล้วก็จะเลือนเนาะสังขารเป็นแบบนี้แหละ ท่านทั้งหลายจงใช้ให้เป็นประโยชน์เสียในขนณะที่ตอนนี้ยังใช้ได้ยังพอจะเป็นพอจะเป็นไปกับการดำเนินในวัฒธรรมคำสอนของพระบระมศ า, ศาสดาได้เพราะว่าเขาชาติทุกข์เราผ่านมาแล้วเนาะแล้วก็จะต้องไปเจอในข้างหน้าชาราทุกตอนนี้ชาลาทุกขทุกจุดของร่างกายที่เป็นรู ป, ปขันไม่มีส่วนไหนเลยที่ชาามันไม่เข้ามาครอบนา แล้วมันเดินของมันอยู่ทุกวินาทีเหมือนที่อาจามากล่าวบ่อยๆพยาธิทุกไม่มีเลยว่าส่วนไหนจะไม่มีปรากฏฉะนั้นทั้งผมก็มีผมก็มีชราทุกเนอะมีพยาธิทุกเนะในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในม้ามในไตในใจในในหัวใจในตับในปอดทุกอนูของร่างกายทั้งหมดนามาทํำไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นตอนนี้ยังพอจะใช้ได้ ยังพอจะเจริญกุศลได้ยังพอจะมานาจิการเป็นไปกับพระธรรมคําสอนได้เร่งรีบเถอะเพราะต่อไปนั้นอ่ะมันจะไม่เชื่อฟังแล้วเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเป็นอนาตานะบังคับบัญชาเขาไม่ได้ตอนนี้เราให้หายใจตอนเนี้ยเราได้หายใจได้แล้วยังมีโอกาสเป็นไปกับพระธรม ร, รมคําสอนนับว่าบุญนักหนาแล้วเพราะต่อไปไม่รู้จะเป็นยังไงสังขารเป็นอย่างนี้จริงๆ ที่บอกมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความสิ้นไ ป, ปนธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาสังขารเป็นอย่างนี้พระบรมศาสาดาตรัสเตือนแล้วเตือนอีกบอกแล้วบอกอีกให้กัเราท่านทั้งหลายแต่ความสะดุง้งสะเทือนของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปแค่ชั่วพักชั่วครู่เพราะสัตว์นั้นไม่มนติ ก, การอย่างต่อเนื่องในวิธธรรมของพระบรมศาสาดาแล้วสัตว์ในยกนี้เป็นสัตว์ที่มืดบอดเป็นสัตว์ที่มีสติสัพพัญญาไม่แข็งแรงเลย กำลังของสติสมประชัญยาของเราเป็นไปได้ชั่วขณะประเดี๋ยวแล้วก็หลุดหายเป็นไปชั่วขณะประเดี๋ยวแล้วก็หลุดหายน่าการุณานักเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเรื่องอื่นนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะเป็นไปอย่างยาวนานแต่ถ้าเรื่องพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาจะเป็นไปได้ชั่วพักชั่วคู่แล้วก็หลุดหายไปหมดแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยทั้งๆที่เราตั้งใจนี่นะอยากจะเป็นไปกับพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดานี่นะให้อย่างยาวไกลแต่ก็ไม่เชื่อฟังเลยเห็นไหมความเป็นอนัตตาก็ปรากฏอยู่อย่างงี้ เพราะอะไรเหตุปัจจัยมันไม่พอถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยของศีลสมาธิปัญญาเหตุปัจจัยของศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาได้เพียงพอเนอี่ยศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญามันจะแข็งแรงพอาศรัทธาเข้มแข็งวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งแข็ ง, ขงแรงมันก็เดินทางได้ไกลก็เหมือนร่างกายเนี่ยท่านทั้งหลายร่างกายเนี่ยไปไปฝึกฝนให้แข็งแรงมันก็เดินได้ไกลแล้วก็นั่งได้นานทํากิจอะไรต่างๆได้อย่างยาวไกลได้จิตใจของเราท่านทั้งหลายไม่ได้ผ่านการอบรมในดังนี้ วเวลาฟังพระธรรมบางทีก็ฟังไปก็หลุดฟังไปก็หลุดอย่าแปลกแต่เพียงว่าเราท่านทั้งหลายจะท้อไหมถ้าเรายอมท้อเราก็เป็นคนคิดขาดใช่ไหมเราไปท้อกับมันไม่ได้ท้อเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าพิจารณาอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เบียเสร็จเราก็จะเดินวิธีคิดแล้วก็เป็นไปกับพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาเป็นต้นไดน้นี่เป็นไปลักษณะนี้ฉะนั้นพอไปถึงในลักษณะพระตันหังกรนะพระบรมศาสดาเนี่ยนะความว่าสงไขทั้งสี่นะ โดยชื่อว่าเสลาส่งไขโอภาซาส่งไขชยะส่งไขลูจิราส่งไขในสี่กับนี่แลอาจารย์ก็กล่าวไว้ว่าวัาเป็นนีบาด น, น, นะนะก็ส่งไขต่างๆเหล่านั้นก็บังเกิดเกิดขึ้นเป็นไปตามลําดับจนมาถึงสารมันดกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาอุบัติเกิดขึ้น4พระองค์ก็มีพระตันหังกรพระเมทางกรพระสระนังกรและพระธีบังกรสัมมาสมาัมพุทธเจ้า ทีนี้พระตันหังกรเนี่ยเตสู่ตันหังกร โ, โพธิสัตโอเป็นต้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยสี่พระองค์นั้นพระตันหังกรโพธิสัตว์เมื่อบำเพ็ญบารมีสัมมาสามัมพุทญาณเนี่ยนะเออบำเพ็ญบารมีได้สิบหกอสงไขยแสนกลับแล้วในปัจฉิมชาติพระองค์ก็มาบังเกิดในมาตุคันโพธรสมเด็จพระสุนันท h ราชเทวีนะสุนันทาสุนัน tha เดียวกันเลยอัครมเยสีสมเด็จพระสุนันท h นะ ม, ม, มหาราช ผู้ผ่านมหาสิสุริยะสมบัติอยู่ณปุปภวดีราชธานีพระพุทธพากคูนพุทธิสัตวได้สวยสุริล่าสมบัติอยู่ ม, มื่นปีอย่าแปลกใจนะอายุจะขึ้นขึ้ น, นลงลงเราเราเนี่ยในเรื่องของการเทียบอายุไขนเนี่ยเชื่อไหม ม, หมดเนี่ยนะเขาก็คงคิดว่าอายุของช้างอายุของอายุของเราท่านทั้งหลายจะยืนยาวใช่ไหม เราดูแค่สัตว์ในพบเดียวกันเนี่ยฉั้นในสังสารวัตเนี่ยเอาว่าในแสนโกฏจักรวาลเนี่ยนะเอาเช่นว่าในอุตตรคุรุทวีปเนี่ยกับชมพูทวีปเนี่ยอายุต่างกันเลยในชมพูทวีปเนี่ยอายุจะอยู่ขาขึ้นและขาลงในยุคที่เราท่านทั้งหลายที่มันกําลังจะประสบความเดือดร้อนไปเรื่อยๆและต่อไปจะเดือดร้อนเรื่อยๆไม่ใช่ออกมาไปทํานายเป็นหมอดูนะแต่ออกมาดูในสังสารวัตร เพราะช่วงนี้มันช่วงขาลงนั้นไม่ต้องกลัวว่าจากไม่เดือดร้อนเดือดร้อนแน่ๆเพราะมันเป็นช่วงขาลงลงมาตามลําดับไหมยกพระเจ้าน่งร้อยปีเป็นอายุขแล้วก็จะลงไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆยิ่งลงต่ํายิ่งเดือดร้อนยิ่งวุ่นวายยิ่งสับสนอลมานเต็มไปหมดอย่าไปทกใจกับเรื่องตรงนั้น แต่ให้ทุกใจว่าถ้าใจเราไม่เป็นไปกับพระธรรมคําสอนเนี่ยจงทุกใจให้เยอะอย่าไปมัวกังวลว่าโลกมันจะแตกโลกมันจะทําลายคนมันจะขัดแยง้งมันจะทะเลาะกันจะยกพวกข้ามหันอย่าไปกังวลถือเป็นเรื่องปกติของสังคมชีวิตของอาตมาเนี่ยเอาแค่อาตมาเกิดมาจากบัณวมบัณฑพมอาตมาผ่านมาหลายยุคอายุ ก, กังแต่สิบสี่ดุลาไปเถะมาเห็นมาเยอะ เดี๋ยวมันลงตัวัังมนเองไม่มีประเด็นแแต่ว่าในที่สุดจะเดือดร้อนไปเรื่อยๆเดือดร้อนไปเรื่อยๆเราอย่าไปวุ่น<ม>กับกิเลสหรือกับวัตถุกรรมเรื่องการแย่งชิงวัตถุกรรมให้เห็นโทษของการชิงวัตถุกรรมแย่งชิงวัตถุกรรมพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในมหาทุกขคันทสัสสุหรือจุฬาทุกขคันทสัสสุไปดูในมชิมานิกาศึกชิงกามทั้งหลายมีทุกยุค สึกชิงวัตถุการมีทุกสมัยอย่าไปเจ็บปวดกันเรื่องนี้เขาเรียกว่าธรรมดาของสัตว์ที่มีตัญหามานาทิทิหรืออิสสาและริสยาที่อยู่ในใจความตันหนีและความลิสยาความตันหนีและความลิสยาของในกระแสใจของสัตว์ยังถอนออกไม่ได้สัตว์ทะเลาะกันไม่เลิกถ้าต้องการให้หยุดทะเลาะกันนะ ต้องประชุมโสดาปริมักลงสู่กระแสขันท่านเหล่านั้นให้ได้นั่นแหละถ้าจะช่วยเขาถ้าตรงนั้นช่วยไม่ได้อย่าไปยุ่งแล้วจะได้เข้าใจเราไปแยกวันนี้เดี๋ยวก็ไปตีกันวันหน้าทําไม่ได้หรอกแต่ถ้าต้องการจะต้องระดับเอาเอาปริยมักประชุมลงในขันนี่ท่านเหล่านั้นจะรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทาําเข้าใจยัง เราศึกษาพระธรรมของผู้พระเจ้าต้องชัดในคําสอนต้องเดินให้เป็นถ้าอย่างนั้นเราก็หลงประเด็นเมื่อเราหลงประเด็นเราก็ไปตกเป็นกิเลสกรรมก็กุ่มรุมในใจแล้วก็ไปติดข้องในวัตถุกรรมแล้วเราก็ไปเป็นศึกชิงกามทั้งหลายเข้าใจคําว่าศึกชิงกา ร, รมไหมอย่าว่าแต่คนอื่นเลยพ่อกับแม่ยังทะเลาะกันเลย ก็สึกชิงกามนี่แหละชิงวัตถุกามนี่แหละสามีกับภรรยายังขึ้นลงขึ้นศาลจะป่วยกาวแล้วใช่ไหมามาไปเจออยู่คู่ด้วยพอแต่ก่อนรักกันมากกลมไปที่ไหนก็รักใครกันอามอาบอกโอ้ดีอย่างรักกันดีอย่างพออยู่มาไม่นานทะเลาะ ก, กันต่อมาฟ้องเรื่องแย่งสมบัติกันมีคือมันยังตกลงกันไม่ได้ที่ประมาณสองนะ ไปคนอื่นตัดสินดูเหมือนฉลาดไหมก็โลกทุกวันนี้เหมือนกันคนเราไปไปสําคัญว่าปัญญาเป็นโมหะแย่งอะไรกันวะแย่งวัตถุกรรแย่งสิ่งที่ไม่มีสาระใช่ไหมแย่งสิ่งที่ไม่มีสาระก็จะประสบสิ่งที่ไม่เป็นสาระแล้วก็จะเจ็บปวดเพราะสิ่งที่ไม่เป็นสาระ แล้วจะประกอบชาติทุกชราทุกพยาทุ ก, ทกมรณะทุกโศ ก, กัตรูทีเดวะทุกทกรทมนาาสัสารและอุบายาตเจ็บปวดเพราะพระพเจ้าบอกว่านี่ไงนี่กระทโทษของกรรมเธอก็เห็นอยู่ใช่ไหมถ้าเราไปดูในคำสอนเบ็ดเสร็จเราจะเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าถ้าเรายังไม่สามารถถอนราคาโทสะโมหะออกจากใจได้ด น, น ถว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คืออะไรชาวพุทธตกจากคำสอนน่ากลัวมากชาวพุทธไม่มีสิกขาสามในกระแสะขันธะดย ต, ตนะและไม่รู้ว่าศาสนาจริงๆนั้นเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาไม่รู้จะทำศาสนาเกิดขึ้นในใจยังไงเพราะในขณะที่ศาสนาหลุดจากใจแล้ว เราจะไปปกป้องศาสนาได้อย่างไรมันไปข้างนอกหมดแล้วเพราะการประชุมศาสนาลงสู่กระแสขันทาได้ตนะนี้ผิดพลาดหมดแล้วเขาจะนี่เขาเรียกตกจากศาสนาเองแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองตกจากศาสนาเสียหายเลยนันตรงนั้นท่านทั้งหลายต้องเดินให้ถูกแล้วก็ต้องคิดให้เป็นฉะนั้นในกรณีที่พระตันหังกรนเนี่ย หลังจากนั้นและท่านเห็นนี่มีทั้ง4ประการแล้วก็เสด็จออกสู่วิเนสกรมและในที่จุดจริงๆท่านก็ทําทุกขกิราอยู่7วันได้ตดรัสรู้สัมมาสัมพธิยานเป็นบรมปทิสัตถ์เออเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศ า, า ส, สดาสัมมาสุภเจ้าปรากฏในโลกและภายใต้ล่มสัตตะบรรพฤกโพธิมูลครั้งนั้นพระมิต่อมากันนะนะในพระเมรุทางกรบรมพทิสัตถ์ก็ได้ทรงกระทําอภินภพพิหารนะ ในสำนักของพระตันหังกรพุทธเจ้าแต่ยังหาได้พุทธยากรไม่ขั้นพระองค์สินน้นนายกไขในชาตินั้นแล้วก็ได้ทรงไปบังเกิดในเทวโลกเป็นต้นนั้นเมื่อพระตันหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่โปรดเวนยสัตว์อยู่แสนปีแล้วก็เสด็จดับขันธบริณิพานอันนั้นเป็นการยอดที่ท่านเล่าเขาไว้ก็เป็นการบอกให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าการที่เราศึกษาสัมภารวิบากมาเนี่ย ต้องการอยากจะดูเส้นทางการเดินทางของพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้ด้วยและในขณะเดียวกันแล้วก็ประกอบพุทธคุณในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆและพระบรมศา ส, สดาทั้งหลายที่จะมาตรัสในนาคตเป็นต้นด้วยเพื่อจะเสริมสร้างสัตตินทรียวิริยนรินีสติินรีสมาตินรียแล้วก็ปัญญินทีโดยเฉพาะศรัทธาของเราท่านทั้งหลายที่ยังไม่แข็งแรงนั้นก็บ่มเพาะทําให้ศรัทธานั้นเกิดความผองใสและเกิดความแข็งแรงในสุดจริงๆศรัรทธานั้นก็จะได้เป็นปัจจัยในการที่จะแล่นไปสู่คุณธรรมเบืนะ้องหน้า การแล่นไปสู่คุณธรรมเบื้องหน้าคือการแล่นเข้าไปสู่การในการที่จะได้บรรลุคุณธรรมเช่นตอนนี้เรายังได้ไม่ได้บรรลุยังไม่ได้ถึงใช่ไหมโสดาปฏิมาคยังไม่ได้บรรลุโสดาปฏิผลยังไม่ทําให้แจ้งซึ่งนิพพานของพระโสดาบันก็ต้องตั้งอัธยาสัยว่าจะต้องให้ถึงโสดาปฏิมาคบรรลุโสดาปฏิผลแล้วก็ทําให้แจ้งโสดานิพพานของพระโสดาบันที่ต้องคิดในลักษณะอย่างนี้แปลว่าบุคคลที่คิดเป็นสาวกโพธิญาณ ถ้าจะคิดปัจเจกพระอริยานก็คิดอีกมุมหนึ่งถ้าจะคิดสามมาสัมพริยาณก็คิดดังที่ได้กล่าวมาตามลำดับนี้วันนี้ก็สาควัญเกวรา